นี่เดือนอ้ายอันนี้เดือนอ้ายเดือนหนึ่งแล้วเดือนหนึ่งแล้วเพิ่งหนาวเพิ่งมีหนาวมามคืนรองเท่าไหร่มีสิบสิบก้าละขึ้นกัดเพิ่งจะเริ่มหนาวฝนตกสงมา ฝนตกตอนน้ำข้าวสุกแล้วก็มีนุ่นแถวนายุงนะ่ะก็งเกี่ยวอยู่ก็มีอะไรก็มีฝนตกน้ำท่วมสามเม็ดนะพัดไปหมดข้าวที่ยังเป็นต้นอยู่กัี่ตม้มขีโครอนทับท่วมไปหมดเนี่ยตน่ตนต้นเนี่ยต้นข้าวสุกเนี่ย ต้นเดือนพฤษภาป่ะไปพฤศจิกาป่ะเมื่อเดือนต้นเดือนพฤษจิกาหรือไปไปลายกลางดือกนน่นแหละคนยังตกหนักอยู่ตอนช่วงวันที่สิบสองสิบามกระถิตอนกระินเราไม่ถูกก่อนนั่นก่อนกระถินเราฝนตกช่วงต้นเดือนพฤจิกานแหละ จนทางงพยาบางเขาได้หาได้ไปช่วยทำท่วมตัวเราได้ไปร่วมเขาดูแลนะเอกสารสิสาร13ะสอน้ำตาลเามาอีก12อกน้ำพันสองขวด มีนับปลาอีกสามสี่กลังมีอะไรอีกไม่รู้ปัจจัยอีก1มื0นห้าพันฝากไปกับหมอโรงบาลโรงบาลหนองโซนไปก็ไปลงสามสี่แห่งห้าแห่งเด้อลงบ้านนั้นเขาแบ่งไปลงเขาได้ของไปเต็มรถหก ล, อล้อนั่นแหละทั้งโรงพยาบาล รวมกับมูลทิศอาจารย์ยัยยงคำแพงรวมกับมูลทิศอัจตริสันโตอาจารย์คำแพงอัตฉรสันโ ต, นะน ต, นตได้ของไปเต็มรถหกล้อนะหกล้อรุ่นใหญ่นะไปแบ่งรงสามสี่แห่งห้าแห่งบ้านนอนแห่งบ้านน้นแห่งบ้านนอนแห่งบานน้านแห่ง และอีกที่หนึ่งก็คือที่วัดนาคําน้อยจันยินเขาเพิ่งองยังไงกับมาลุจันยินท่านรับท่านก็จะเอาไปแจกต่อลูกเปล่ากับมาลุวัดท่านก็กำแพงพังเลยน้ํนาท่วมไปปากรามห้วยปาราม น, รน้ําแรงนี่ตอนต้นเดือนนี่เพิ่จะมาเริ่มหนาวันชงไป เริ่มหนามาสองวานหาวมายีก็มีวันหนึง่ตงตาลงมาสิเจแม่พ่อเราไม่ได้ดูวันปฏิโม่เดือนหนาวปฏโมเมื่อวานหรือเปล่าเมื่อวันก่อนเมื่อก่อ น, นวันปฏิโม่ วันพวงนี้ก็มีพวกนั้นมาพักอีกนั่นงบอกสังขามวรินาผู้ชายเท่าไรผู้หิงเท่าไรเกียรตู้ิงู้ิงเจียรติแต่ผู้ชาเป็ดู้ิงเกียไม่ใช่ผู้หิงแปดไม่ใช่ผู้หญิงแปดู้ชายเกียรติละผู้หญิงเกียในครัวก็ดูเลยเจียรรือแปด เกียดน่ยมันบอกผู้หญิงแปดผู้ชันเจ็ดนะมาวันนี้ผู้หญิงขึ้นอีกแล้วฮะนุะติหลังใหญ่ ใ, ใครพักพรุ่งนี้นะขึ้นเดียวบ่ายสองเข้ามาถึงนายกลัวช่วยดูด้วยบ่ายสอง นันะพวกทำงานที่อยู่ที่บริษัทของตัวหมูนั่นะเราประเทศหลา ย, ท, าลยที่แล้ววิีแลเขาก็มามาก็ต้องไดฟังเทศเลยพวกนี้ก็ต้องได้พานั่งภาวนาตอนคำน่ำอย่างอีกพวกนี้ต้องส่วนมนอยู่ที่นั่นเขาทำประจำเขจับทุกเดือน ที่บริษัทเขานะมีสลาขนาดนี้แหละนี่นขนาดขนาดนี้ขนาดนี้สลาดเท่ากับสองเสานั่นแหละ ย, ยาวมันจะยาวหลุดไปนู่นอีกเป็นที่ร่องหลุดไปนู่นอีกขนาดห้องหนึ่งแล้วยาวทึบไปนู่นอีกสำหรับห้องพักให้ชื่อว่าศาลา สาลาเมตตาหลวงตามหาบัวอย่างสัมฮะใช่ศาลาลำลึกหลวงตามหาบัวอย่างสัมปันโนหลวงตามเคยไปรับประกาชุนชาติพต่าหมูเขาจดทุกเดือนอจารย์สมหมายไปไประจําทุกเดือนอนักฝ่าวัมนุกแล้วก็มันจะในจํานวนหนึงปีเขาจะมีวันสวดในมณฑกูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ไปไล่ลง ส่วนเท็มหนึเจ็ดปเก้าค์ 9. เขาแล้วก็อาจารย์ถ่ายเทศอาจารย์ไทยเทศทเสร็จให้เราเทศให้เราเทศดีเราก็บอกโอ้อาจารยสมหมายได้อจารยสมหมายก็ก็เพ้นมาประจำอยู่แล้วลราให้เราคืนเทศโตอาจารย์ไทยก็นั่งฟังข้างหลังนั่นน่ะ โอ้จะเทศออกม่นน้อวันนี่กูว่าอาจารย์นั่นขงอยองหลับเนี่ยคนเทศเสร็จแล้วเปืนเ่ น, นไม่ได้ไปพักเลยนั่งฟังเราเอยูน่นั่นแหละลูกทีไหนก็ไปมีที่จ่ายเทศไปท้งฟังสัมไร เนี่ยวันนี้ก็มาอีกเนี่ยครับฟังเทศที่ไหนกัไม่รู้ฟังเทศที่ฝ่ามือฝ่าตีนเขาหน่ะเดียวไอ้เท่าฝ่ามือนะนะั่น่ะครับฟังเทศในนั้นแ่ะอันนี้ก็มาขอภาวนาวันปีใหม่ไดนีลยวันวันส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่เนี่ยสองคนฝัวเมียเนี่ยอยู่ร้อน ในหัวด้ไปวัดก็จํางตรงไหนไม่รู้วัดมันตัดเคยไปบ้านไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ถนัดเท่าไดอกเขาไปอาจะไปวัดบ้านวัดอะไรใกล้ๆบ้านก็แต่อยู่เนีน้เขารู้จักเขามีอันนันน้นในฝ่ามือนะเขารู้จักเข้ามาเนีย สนใจเรื่องศีลเรื่องธรรมนะสนใจเรื่องศีลเรื่องธรรมสาเหตุทำให้คนสนใจเรื่องศีลเรื่องธรรมก็มีมีหลายสาเหตุสาเหตุหนึ่งทุกมีอุปสรรคกัดข้องสาเหตุหนึ่งอยากศึกษาอยากปฏิบัติมีความเริ่มใส่สธา แล้วความสะดวกสบายทุกอย่างหนึ่งก็มาตามมาตามสื่อนี่แหละไอ้ไอ้ไอ้ประเภทอย่างหนึ่งก็มาตามสื่อนี่แหละจะมาแบบไหนแบบไหนก็ตามมาด้วยความจำเป็นจำใจมาด้วยความไม่เริ่มใสศรัทธามาด้วยอะไรมาตาม มารู้มาเห็นมาได้ยินได้ฟังหากลับเปลี่ยนปรับปรุงแก้ไขเพิมเติมเพราะคนเรานั้นไม่มีวันสายสำหรับปรับปรุงแก้ไขตัวเองไม่มีใกล้จะตายแล้วแง่ประแงบบ่ใกล้จะขัดใจตายอยู่แล้วนีย่ยังเป็นโอกาสที่จะปรับปรุงแก้ไขตัวเองได้เมื่อวานที่เราได้ยินไั้ฟังพระมหาเทลักบางหง ท่านนอนติดศาสติดเสือแล้วนะนอนครุกอุจจาระปัสสาวะแล้วเนี่ยท่านมาเราเลืกถึงสิ่ของท่านโอ้ท่านไม่เคยทำให้สิ่ด่างเลยเพราะเลยสิ่งไม่เคยขาดเคยห่างเคยทะลุเลยพิจารณาไปเออเราเนี่ยสิ่งอะสุดเนาะแต่ท่านยังไม่ได้อ่าไอ้ธรรมนะพิจารณาถึงสิ่งของตัวเอง เห็นว่าจเจ้าของนี่บริสุทธิ์หมดจดุดไม่ผิดสินปลื้มพีติยินดีเจริญวิปัสสนาตอนนั้นเพื่อเดี่ยวได้เข้าถึงความเป็นพารานะาห์นะนะกลับใจแก่ตอนนั้น่ะตอนพระง่าพระงาบใกล้จะสุดท้ายแล้วนะกลับใจตอนนั้นะกลับเปลียนตอนนั้นแต่ท่านครองสินรักษาเพศของตัวเองด้วยสินที่บริสุทธิ์มาปลื้มพิติตยินดีกับสินของตัวเอง พิจารณาเปล่งพิจารณาปลงปล่อยตามหลักวิปัสสนาได้บรรลุธรรมเพราะได้บรรลุธรรมปั๊บใจขาดปืด๊ดตายพร้อมกับได้บรรลุธรรมก็ถือว่าพ้นไปได้นเขาเรียกว่าประเภทสมศรีศีลเ ส, สมอโดยชีวิตบรรลุปั๊บชีวิตก็ดับไปเนี่ยนี่เราพูด ง, ง่ายง่ายปรับปรุงเปลี่ยนแปลง คนเราไม่สายจะดับจะดัดรุ ง, เ, งเปลี่ยนแปลงแก้ไขคิดใจของตัวเองมันก็มีทั้งผลดีผลเสียสำหรับคนเข้าใจเรื่องราวนี้คนนิสัยกระโกเคก็จนิสัยขี้ร้ายทําผิดอยู่เรื่อยทำผิดทําผิดอยู่เรื่อยทําผิดซ้ำซากคิดจะปรับปรุงอยู่เรื่อยตกกระป๋องอยู่เรื่อย คิดจะปรับปรุงอยู่เรื่อยตกไปอยู่เรื่อยเดี๋ยวจะปรับปรุงเี่จะปรับปรุงตกกระป๋องอยู่เรื่อยอันนี้มันขาดอะไรมันขาดความตั้งอกตั้งใจขาดความเข็ดความลาบมีริ้นโอตะปักเป็นการเป็นคราวจากนั้นแลว้วก็ขาดความเป็นยี่ริโอตะปักเป็นการเป็นคราว เอาอีกแล้วครูโทษอีกแล้วคูเอาแล้วผิดอีกแล้วครูขอเขมาโทษอีกแล้วผิดอีกแล้วนะผิดซ้ํำซากผิดแล้วผิดอีกไม่มีความจริงจังไม่มีความจริงใจนะการรู้ว่าการแค่ไขกตับตุ้งตัวเองนะมีทั้งผลดีสดุดแบบบางคนมีทั้งผลไม่ดีสดุดแบบบางคน เอ้ยังปรับตรวแกไขได้โยผิดอีกสักก่อนก็ได้ <c oughs> เอผิดอีกสักก่อนก็ได้แน่มันจะหนักกว่าคนที่เขาไม่ผิดอะไรเลยดูแต่พระเถระท่านไม่ผิดศีลไม่มีด่างท้อยเรื่องศีลท่านไปนึกถึงมันปลายชีวิตน่านเลืรู้วิจิตรยินดีเจอวิปัสสนาตอนนั้นได้เป็นลูธรรมได้เลย ด้วยเหตุที่ไม่ยอมขัดขืนไม่ยอมหลาผิดซ้ําๆผิดซ้ํซากเขาเรียกผิดซ้ำซ้ำซากซากเยผิดแต่ละครั้งก็ตกลงไปผิดแต่ละครั้งก็ตกลงไปถ้าเป็นคะแนนสะสมมาโน่เนี่ยมันตกลงไปแล้วมันต่ำกว่าเกรดแล้วมันจะขึ้นมาได้ยังไงอจะไปพิจารณาใกล้ตอนนั้นทันหรือเปล่านี่ยมามันมีไอแนวหนักๆมันถ่วงเอาไว้อืม สำหรับคนที่ยังเระลึกไม่ได้ไม่มีโอกาสมีโอกาสปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขต่อไหนได้เดี๋ยที่มนุษย์เราเนี่ยใจมนุษย์มันไม่เหมือนใจไม้ใจไม้มันแตกยังไงก็ อ, อยู่อย่างนั้นใจมนุษย์พยายามท่านที่ว่ามนุษย์เราเหนื่อยทไมครับ เพราะเขามีโอกาสจะลุกได้มีความผิดมีความถูกคราวนี้เกลียดลาบ<ม>เหมือนบางคนเนี่ยกินเหล้าเมาจนถึงที่สุดแหละพอเวลากลับเนื้อกลับตัวได้ไม่ยอมแตกตั้งใจเห็นถูกเห็นผิดทั้งใจปฏิบัติได้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ได้เป็นผู้นำคน ต, ต่อมาเขามี แต่ที่สําคัญที่สุดคือต้องใจเด็ดเห็นคุณก็เห็นคุณจริงจรเห็นเท่ษก็เห็นเท่าจริงๆริไม่ใช่ไปเห็นเล่นเล่นดังทำผิดซ้ำซากผิดแล้วผิดอีกผิดแล้วผิดอีกอยู่นั่นแหละแบบนี้ก็มีมันง่ายบรอมันง่ายไหมหจะเลยนี่ใส่ของคน เพราะเหตุที่เราขาดความจริงจังเนี่ยแหละเหตุขาดความจริงจังขาดความสนใจขาดความจริงจังขาดความสนใจควจริงจังแต่กับคนอื่นกับตัวเองไม่จริงจังเพราะฉะนั้นที่จะเอาให้เด็ดขาด ก็ไม่เด็ดขาดงายอย่าละเด็ดขาดอยู่กับคนอื่นแต่ตัวเองไม่เด็ดขาดเป็นอย่างนั้นกับนี้ไปแล้วพวเรายังมีโอกาสด้วยกันทุกคนที่จะตั้งอกต้องใจศึกษาฝึกฝนอบรมไม่ใช่ทำเพื่อมู่หวังลามู่หวังยด มุ่งหวังเกียรติมุ่งหวังสรรเสริญเยิอนยอทำเพื่อหวังคนทุกข์พังทำเพื่อหวังบุญทำเพื่อหวังถูไม่ใช่ทำเพื่อมาแก้ทำเพื่อแก้สิ่งที่เราเคยรองละเมิดมา ทำด้วยเห็นเห็นทวดทำด้วยทุกทั้ด้วยเกียรติทั้แด้วยล็ลัต้งใจเด็ดขาดล่วงเกิดแก๊เดี่ยวไม่ได้ไม่ได้ไม่ ไ, ไ ม, ไไมไ่ตั้งใจแล้ว ด, ดีแล้วมุ่งมันไว้แล้วถือว่าเป็นทาที่ดีแล้วถูกต้องแล้วปราทันทีปราทันที ปราบก็ใสตัวเองปราบก็ใส่ต <waren> ัวเองปราความชั่วร้ายในตัวเองมันแทรกเข้ามาเจ้าตัหาทุกที่กี่เจ้าสันดานเรือมันแทรกเข้ามาทุนที่ปรามเขามันรูคํารามปรามมันในลันธิโลเไปใจดวงเดียวนี่แหละมันก็แทรกอยู่ในใจดวงเดียวนี่แหละ คุณสมบัติของใจอยู่ในใจองเดียวนี่แหละทุกคนอยากได้ดีแต่มันไม่ได้ดีได้ง่ายง่ายอย่างใจเราชอบต้องฝ่าต้องฝืนต้องอดต้องทนต้องฝึกต้องฝืนทั้งสุกทั้งฝืนฝึกออกรอมฟื้นอบกพร้อมฝืนอดฝืนทนขี้เกียจ ฝืนขยันกระดุกกระรว่วงฝืนขยันเอาไว้เจาะเข้ามาที่ใจของตัวเองเนะจามาแทงหาเจ้าตัวการเจ้าตัวมารร้ายนะเอาสติเอาสัมผััญญะเป็นเหมือนกับนั่นแนหะไอ้เครื่องก็แทงอะไรนะแทงอยู่นั่นแหละแทงหามันนเะจ้าเข้ามาแทงหามันนะ หรือเหมือนกับเขาจ้องจะยิงอะไรสักอย่างโผล่ขึ้นมาปลายสนุ่มืองาอ้างนอยู่นั่นนะพร้อมที่จะปล่อยเจาะโผล่มาโผล่มาก็ปล่อยปึง้งโผล่มาก็ปล่อยปึง้งมันสุดมันประทัดมันประทัดหรือโผล่มามันกับสปามันก็ไฟมันสปากันคู่บวกคู่ลบสปากันโผล่มาก็สปากัน เจาะขนานี้ต้องำหมตั้งใจจริงๆไม่ได้ดอกทำรอลๆไม่ได้มีช่วมีช่วเบามีช่วหนักมีช่วเบามีช่อนหนักมีช่งนเบามัอยู่นี่แหลเจาะอยู่นี่แหละ จะสู้ได้เลยสติต้องกลา้าปัญญาต้องกลา้าสติสัมปชัญญะต้องเพิ่มฟูนให้กำลังแข็งกลา้ากล้าในสติหรือสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นสูวนนี้ส่วนมาสติที่เราสนวนเลยครื่องไม้เครื่องมืออยู่ในนี้หมดจะพิจารณาบทใ ด, ดบางใดแง่ใด ก็เหมือนอย่างที่เราส่วนปราชาปราชาเกอย่างเป็นท่อนเป็นแท่งเป็นท่อนเป็นเป็นฟอกเป็นอะไรอะไรท่านมาแยกออกเป็น9 9อย่างเพื่อเรากำหนดได้ง่ายตายใหม่ตายหนึ่งวันสองวันสามวันตายขึ้นอืดขึ้นพองตายเปเ่วยตายเนา่าสัตปาแรกาจากักกัดจิก กินฉี่กินกินมีเนื้อติดกระดูบ้างกินจนหมดเนื้อบ้างหมดเนื้อเหลือแต่กระดูเหลือแต่เส้นเอ็นรัดรึงเครื่องนอกเครื่องใ น, อ เ, องนเอาไปกินหมดดูให้เห็นเป็นมโนภาพเส้นเอ็นรัดรึงอย่างนั้มีเลือดติดเลือดอยู่บ้างก็วันเวลาล่วงไปหมดเลือด แต่กระดูกขาสี่เส้นเอ็นก็หลุดร่วงเป็นชิ้นเป็นอันเป็นท่อนท่อนตรงนั้นท่อนตรงนี้ดูที่ตันไล่ตันสิบกว่าท่อนตั น, นไลเราฟังกระดูกนั้นกระดูกตรงนี้กระดูกศีสัก่กระดูกแขนกระดูกคอกระดูกแข่ขงหน้าแข่ง กระดูกตรงไหนที่จะไหลอ่างนี้กรนะดูกมันก็เริ่มแตกเริ่มเปือ่อยเริ่มยุ่ยเริ่มเป็นผุยเริ่มเป็นผงเป็นแป้ ง, งขาวๆถูกล้มพัดมากลืนกรบหายไปกลายเป็นแผ่นดินทั้งหมดดูไปจนสุด นี่คือพิจารณาปาัจจัยเอาเลยพิจารณาเรา낭เก่านาเร า, พ, า, า, เราพิจารณาเราก็ใช้หุบปนิมิต่ะเอาให้เป็นตัวเองน่ะตายนอนพอขึ้ น, อ น, น, น, อนเออ อ, อ, อ, อ, นนออยู่นั่นนอนจับอุ้ยอะอยู่ยอะอยู่เยอะขึ้นขึ้นพองนยําเงนัองน้ําเขียวเยอะตรงนั้นตรงนั้นแฟบไปตรงนี้นแฟบไปลมก็ดันออกท้งปาก ทอนนักทเบากำลังดูกลิ่นโอ้ยกล่นหอจดตอมแล้วกลิ่นกลิ่นคนน่ยแรงกว่ากลิ่นกลิปูกินปลากล้งกลิ่นของคนดูซิกลิ่นของคนกินของดี เน่าไปแล้วแหม็นเหม็นกว่าของที่กินสิ่งที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์อุจาระยังไม่เหมอนเท่ากับกินเนื้อสัตว์ดีๆลองไปกินแต่ผลมาตูมเราดูถ่ายออกมาหอมมะตูมเลย ใส่อะไรไปอ น, น้ำมันก็ออกมาใส่อะไ ร, ะ ไ, รไปอ น, น้ก็ออกมายิ่งเป็นประเภทโปรโตีนพวกเนื้อพวกปลาโอ้ยเหม็นมหาศาลเลยของส่บๆส่บแม่กลิ่นทั้งไหนไม่รู้เลยก็มูทั้งกลิ่นแล้วก็เปล่นไแล้วก็หมดที่นาโอ้เป็น คนไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าเขาไ ม, ไม่ว่าเรายำปีโคไกยโยเนั่ยร่างกายของเราของเขาของท่านเอวังธมโงเอวังภาวิเอวังนัะดีโตมีอย่างนี้เป็นธรรมดาเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาไม่ม้น่วมพลความเป็นอย่างนี้ไปได้ ถาพิจารณาเห็นทั้งภายนเห็นทั้งภายนอกพิติตรัชตตาบาภิทาวาลรัตวิหิทาวา่วยธรมาสมุทะยกธรมาสมุทะยวยธรมาเห็นทั้งภายในเห็นทั้งภายนอกพิจารณาอีกใช่ไหพิจาราพิจารณาอุปนิมิตตั้งกำหดไป แต่รปูปปณิวิมลนั้นต้องอาศัยสมาธิสติสัมปชัญญะมีเต็มอยู่ในสมาธินั้นจิตจะเป็นสมาธิไนดะ้จะต้องมีสติดีจะต้องมีสัมปชัญญะดีจิตจะพิจารณาเห็นปัญญา ให้เข้าถึงหลักสักจะทําได้ดีก็มีสมาธิดีต้องมีสติดีมีสัมผัสัญญาดีมีสมาธิ ด, ดีอยู่ในนั้นพยายามฝึกไปเถอะอันไห้เป็นสมถมะเราก็จะลองมาเพื่อวิปัสนาในไหนเป็นวิปัสนาก็ตะลองมาเพื่อสมถะมันจะข้าจุนแก่แกะกันและกันอยู่นั่นแหละมันจะเกื้อกูลกันคอยขยันเถอดข อ, ขอยตั้งอกตั้งใจทำเถิด สิ่งที่เป็นยอดของสิยอดของมงคลทำให้เรามีปัญญาเราเงองงซึมซมเซ่อเซ่อเขาสติขาสมรจัญญาเราฝึกสิ่งเหลนี้เราฝึกตรงฝึกถู ก, ถกแก้ปัญหาถูกถูกจุดแก้ปัญหาตรงจดุดเราสร้างเราทำเอาไว้มันยังไม่เกิด เข้าสนใจเอาไว้ดูเอาไว้ศึกษาไว้อยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจเอาไว้อันนี้คือวิธีการเสริมปัญญาให้กับตัวเองเราแพ้เขาเพราะเราขาดปัญญาถ้ามากินไม่ทันเขาเพราะเร า, ราขาดปัญญาคนทีาเขามีบุญคนเขามีปัญญามองเห็นเลาทะลุอุกโภคไปหมดมองเห็นเงินเห็นเห็นเงินเห็ น, ห น, หนทองเต็มไปหมดก่ อ, อโพยเอา มีบัญญากับ้าปัญญาปัญญาบัจจน้อมมาเพื่อเห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยเพื่อเบื่อหน่ายมันก็เหตุสัจจะทำได้เฉ็มเฉียนจฉีเจียนอันนี้ส่งเหล่านี้เวลามันให้ให้ผลมามันให้ผลในคราวขับคันเหมือนอย่างที่เราฟังว่าพระป่วยวลาสุดท้ายใกล้จะตายแล้วมานลึกถึงตัวเองนอนจม บุญจะรับประสบไปเมืเ่อไดกทั้งเสียงตัวเองน้เรามี่สียงบริสุทธิ์น้อไม่ด่างไม่พร้อไม่ขาดไม่ะลุกพร่มใจปีติยินดีแน่ที่เคยสังสงบอบร ม, มานี่ยมันจะล่อมมาถึงภาวะขับขันรอนนั้นจเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาปุ๊บได้ปุ๊บได้ตั ก, กขึ้นมาทันที อันนี้สงของการตั้งอกท้งใจแม้แต่เทวทัตแกล้งมาปฏิบัติทำดีเป็นการเป็นคราวกับพระพุทธเจ้าด้วยเหตุที่เกี่ยวข้องพัวพันผูกพันมานี่อันนี้สงอันนี้สงยังสงใี้เป็นพระปฏิเจกาพระพุทธนะไหไม่ธรรมดานะสิ่งเหล่านี้ดูถูกไม่ได้แล้วเข้ามาเกี่ยวข้องมากท่น้อยก็อะไรก็ตามทั้บอกตั้งใจสิ่งวันนี้มันมีอั น, นสงสูง ม, มีอั น, นสงแรง ทำให้เรามีสติมีปัญญาเป็นของตัวเองเอาแล้ววันนี้เอาแค่นี้แหละนอนเท่าไรแล้วหน่งสามทุ่กว่าแล้วไปมืญออื่นช่วยดูพวกนั้นเข้ามาด้วยบ่ายสองก็ามาถึงคขามานอนคืนหนึ่งตอนค้ามเขากินอะไรกินน้ํากินอะไรมีมนม้<ม>ํากินน่าจะไม่รับทานมั่งมาอยู่วัดยังไงมารับทานมาได้ มีน้ำมีอะไรโ ก, โ ก, โกโ็ไปอะไรเจอกินเกียรติบ้างเาเกียรติงานเราก็ต้องอดต้องทนแหละงานเราทำอยู่ตรงนี้เ um. สียงวงแวงวงแวงเสียงเครื่องทั้งวั น, นทั้งวี่ทั้งวัเครื่องก็คือเครื่องตัวเ้าก็ภาวนาอยู่มุมไหน ก, กุติก็ภาวนาตัวรู้จักประโยชน์ของตัวเองก็ทําเอา แม้โทษลมโทษแรงโทษหนาวโทษร้อนนะอยิบา้าโทษคน น, นู้นคนนี้โทษเสียงที่นูน่นที่นี่ดูไปที่ใจตัวเองแก้ได้ตรงนั้นดูไปที่อื่นแก้ไม่ได้ดอกมันมีใครไปเอาอะไรอย่างอื่นให้อยู่ในเงื้อมมือของตัวเองดอกสามารถบีบมาได้บังคับมาได้ใจใจของตัวเองเท่านั้นแหละอย่างอื่นเอาไม่ได้ดอกเอาไม่อยู่ดอกแม้แต่พวกรเมียเอากันไม่อยู่พ่อแม่กับลูกไปยังเอาลูกไม่อยู่ เพราะมันคนละใจไปมีบังคับใจคนอื่นให้เหมือนใจเราไม่ได้หรอกแต่มีกฎมีระเบียบอยู่ด้วยกันก็อย่าให้ผิดข้องบม้องใจกันเราอยู่เพื่อชักเพื่อล้างกิเลสในขนาดเดียวกันเนี่ยเอากิเลสมาพอกผูนให้กับตัวเองมันน่าละอายอ่ะดูให้ดีอยู่ให้ดีพิจารณาดีนะ <S 2> <S 2> <S 2> <S 2> จบ อ้าววันนี้คนอีสาย